พยายามรู้สึกตัวนะใจให้มันตื่นตื่นตื่นโยเว้นเวลาที่ต้องการพักแล้วนั่นแหละเวลาที่เหลือนะปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาอย่า ง, งัวงเงียซึมซึมไม่ดีจิตมันเคยชินจะสลบสลายมันก็สลบสลายเรื่อยเรเราเวลาทําสมาธิเรายิ่งชอบไปทําให้มันเคลิมยิ่งแย่ใหญ่เลย งั้นเวลาเราจะทำสมาธิถ้าทำด้วยใจที่รู้สึกตัวไม่ให้เคลิมหลวงพ่อตอนเจ็ดขวบหัดสมาธิตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็ทใหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไม่ได้น้อมใจให้เคลิม้มจิตรวมรวดเร็วนี้เราไม่เป็นสว่างขึ้นมานะเราก็ ไปดูที่สว่างมันเลยตามแสงสว่างไปเที่ยวข้างนอกอันนั้นไม่ดีจิตมันหลอนนอนนะจิตจิตโสออกนอกต่อมาไปหลายๆวันนะ้วรู้สึกไม่ดีแล้วไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเที่ยวออกไปข้างนอกหายใจแล้วไม่ให้มันไปข้างนอกนี่มีทีหนึ่งหายใจแล้วมันเคลิ้มลงไปนะ รู้สึกตรงนี้ดีสงบดีนะก็หายใจเอาเคลิมหลังจากนั้นพอเริ่มหายใจก็เคลิมเลยพวกเราเป็นไหมเริ่มทำเนี่ยยังชํานาญอยู่เลยนะท่านเนี้ย <laughs> <laughs> ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องออกไปเที่ยวก็ไม่ได้เรื่องนะเป็นน้อมใจเคลิมๆอยู่ก็ไม่ได้เรื่องตอเนี้ยอใหม่นั่งไม่ให้เคลิมนั่งแล้วหายใจแรงๆ ดูสิทดลองมาหลายอย่างนะไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยจงใจให้หายใจแรงๆกลัวจะเคลิ้มนะก็เหนื่อยนะเหนื่อยก็ไม่ได้ความอีกกว่าจะจับหลักได้ทำสมาธิทำ ด, ด้วยความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่บังคับจนตึงเกินไป ไม่หย่อนจนกระทั่งเคลิมไปไม่ไหลออกข้างนอกจ น, นเที่ยวออกไปข้างนอกจิตใจตั้งมั่นอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวในหลักของการทำสมาธิหลวงพ่อไปเทศที่เชียงใหม่นะที่นิมซี่สิงคนเขาชอบทำอนาปนาสติเลยสอนเรื่องอนาปนาสติเขา อนาปนสติเนี่ยเป็นสุดยอดกรรมฐานเลยจนถึงขนาดที่อาจารย์อภิธรรมบางท่านเนยะยกให้เลยว่าอนาปนสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษนะมหาบุรุษมือระดับพระพุทธเจ้าเล่นได้กว้างกวางมากเลยอนาปนสตินะ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือมีสติอยู่กับลมหายใจแต่และอันเนี้ยความหมายจะไม่เหมือนกันทีเดียววิธีทาก็จะแตกต่างกันออกไปอ น, นาปนาสตนะิทำได้ตั้งแต่สมาธิเหลวไหลสมาธิเหลวไหลไหลออกไปข้างนอกจริงสมาธิเคลิบเคลิอันนี้พวกมิจฉาสมาธิเท่านั้นเลยสมาธิตึงเครียดนี่ก็พวกมิจฉาสมาธิ คือหายใจไปหายใจทีแรกลมหายใจจะยาวหายใจลมจะยาวลมจะลึกนะเบื้องต้นหายใจในพระเไตาปิฎกคเคยเขียนบอกดุก ร, ราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าคืออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองไม่ได้ให้ไปบังคับไม่ได้ให้ไปดัดแปลงไม่ให้ทําอะไรไม่ได้ให้ตึงไม่ได้หย่อน มีสติอยู่เฉพาะหน้าที่หย่อนเคลิม้มเคลิมนั้นขาดสติไอ้ที่นังเพ่งเพง่งเพง่เพงนั้นมันรุนแรงไปไม่ใช่แค่มีสติอยู่ให้ครูบันหลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวไหมท่านหายใจออกนะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหลวงพ่อทีแรกอ่านพระสูตรนี้ก็อ่านก็ข้ามนะเราชินกับการหายใจเข้า เราค่อยหายใจออกตอนเด็กก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะให้มาอ่านพระสูตรม่หายใจออกก่อนเลยมาลองดูเราอยู่ๆเราหายใจออกได้ไหมได้อย่างน้อยก็นิดนึงอะ่ะในปอดต้องมีลมอยู่บ้างอะ่ะถ้าอยู่ๆเราหายใจออกนะแล้วเรารู้สึกอยู่เนี่ยใจมันจะเบานะแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้ามันจะตั้งท่าปฏิบัติมันจะแข็งไป แล้วแข็งแล้วแข็งแล้วแก้ยากแล้วหายใจออกก่อนเนี่ยสบายแล้วหายใจเข้าก็สบายใจมันจะเบาๆใจที่เบาใจที่สบายนี่แหละเกิดสมาธิง่ายใจที่หนักที่แน่นที่แข็งๆเนี่ยเกิดสมาธิยากเพราะสมาธิเกิดจากความสุขงั้นทีแรกท่านบอกหายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้า หายใจเข้าก็ไม่ได้กลิงขึ้นมานะก็แค่เห็นร่างกายหายใจเข้ามาเหมือนตอนที่เห็นร่างกายหายใจออกตอนหายใจออกไม่มีใครกลิ่น่แล้วทำไมทีแรกต้องหายใจยาวจิตยังไม่สงบร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะหายใจมันจะต้องลึกๆหน่อยจะยาวพอหายใจไปแล้วมีความสุขหายใจออกมาเนี้ยว่าหายใจเข้ามีความสุข จิตมีความสุขจิตค่อยสงบพอจิตค่อยสงบขึ้นมาเนี้ยลมหายใจจะตื้นตื้นตื้นขึ้นนะหายใจน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันจะหายใจสั้นสันหายใจอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเองไม่ได้หายใจลงไปถึงท้องถึงสะดือถึงหน้าอกอะไรอย่างเงพวกภาวนาไม่เป็นถ้ามาหัดเริ่มหายใจนะจะหายใจไปที่หน้าอกคนหายใจเป็นหายใจไปลงไปที่ท้องนะแปลกไ เวลาจงใจหายใจมีไหมหายใจด้วยหน้าอกนะเราหายใจตามธรรมชาติที่เราหายใจทุกวันเนี้ยมันหายใจลึกลงไปถึงท้องในความรู้สึกนะลมไม่เข้าท้องหรอกเไม่งนท้องป่องไปเลยถ้าหายใจตามธรรมชาติท้องจอะพองท้องจะยุบหายใจแบบจงใจเกรงไว้นะหน้าอกจะพองแล้วอกจะยุบเหนื่อยนะหน้าอกเขามีกระดูกหุ้มไว้เขาไม่ได้เอาไว้ให้พองเล่นนะพองไม่มากหรอกเดือท้องนะ่าขยายได้หายใจแล้วสบาย งั้ที่แรกหายใจมันจะลงไปลึกหนยะหายใจไม่เป็นก็ลึกไประดับหน้าอกหายใจเป็นก็ลึกลงระดับท้องพอาจิตเริ่มรวมจิตเริ่มสงบเนี่ยหายใจมันจะตจะื้นขึ้นมาจะสั้นสั้นสขึ้นมาเหมือนไม่อยู่ที่จมูกนั่นเองพอลมหายใจขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยนะจิตจะสว่างขึ้นเรื่อยๆจะสว่างอย่างเรากําหนดเงี้ยนะวก็สว่างขึ้นมาละตรงที่จิตสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ย มีทางแยกพวกหนึ่งนะอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยส่งแสงสว่างไปคล้ายๆฉายสปอตไลท์ไปฉายไปที่ไหน น, นะจิตก็ตามไปดูเนี่ยจิตออกนอกตัวจริงไปเทวโลกก็ได้ไปพรมบโลกก็ได้ไปบาดาลก็ได้การที่เรารู้ลมเจอกระทั่มันกลายเป็นแสงสว่างเนี่ยมันกลายเป็นเกสินแสงเกสินแสงเนี่ยมันทำให้ได้ทิพยจักสุป จากกสินแสงเนี่ยนะส่งไปที่ไหนก็ตาก็มองเห็นตามไปได้ใจไม่เห็นตามไปไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรเห็นก็ดีเหมือนกันในแง่ที่จะกลัวบาปอยากทําบุญไม่กล้าทําบาปมีศีลเห็นอย่างนี้มีศีลอีกพวกหนึ่งเห็นแล้วลำพองกูเก่งกูเก่งพวกนี้เห็นแล้วยิ่งแย่ใหญ่เกิดกิเลสนี่ไม่ดีถ้าเห็นแล้วมีศีลมีธรรมก็ดี ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปตามมันไปให้จิตเป็นคนดูแสงไหมจิตอย่าถล่มเข้าไปในแสงและจิตเป็นคนดูแสงเนี่ยนะจิตมันชํานี้ชํานานขึ้นมาสติระลึกรู้ที่แสงสว่างนะเรียกว่ามีวิตกวิตกก็คือการที่จิตเนี่ยไปตรึกอยู่ในแสงสว่างวิจารณเนี่ยคือจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างได้ยินคาว่าวิตกวิจารใช่ไหม เราชอบไปคิดว่าวิตกค็คคิดคิดไปเรื่อยๆวิจารณก็คือวิภาควิจารณ์งนะคนไทยออกมาใช้หรอกวิตกก็คือการที่จิตมันตรึกในอารมณ์มันจับเข้าไปที่ตัวอารมณ์นะวิจารเนี่มันเคล้าเคลียอยู่กับตัวอารมณ์เมอจิตมีวิตกมีวิจารณ์อยู่นะปีติมันเกิดนะแต่ตรงเนี้มันชํานาญก่อนจะมีปีติมีอะไรขึ้นมาได้นะจิตมันชํานาญในสมาธิขึ้นมาแนละ้ว แสงสว่างเนี่ยให้มันใหญ่ก็ได้นะให้มันเล็กก็ได้ให้มันเต็มโลกก็ได้นะทำตัวจนกระทั่งเราเหมือนพระอิตพระจันทร์เลยก็ได้ให้เล็กๆ เ, เหมือนปลายทูปเลยก็ได้นะจิตน่ะเล่นมีของเล่นนะจิตสนุกมีปีติขึ้นมามีความสุขนะพอจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมาแล้วนะสติระลึกลงไปอีกมีปีติแล้วไม่ต้องไปสนใจไอ้ดวงสว่างนั้นอีกต่อไปละเสียเวลา ทิ้งวิตกทิ้งวิจารณ์ไปสติระลึกรู้ปีติปีติมันโลดผนในขณะที่มีปีติในความจริงก็มีความสุขด้วยนะแต่ว่าปีติมันฉูดฉาดสติจะไปเห็นปีติก่อนพอสติระลึกรู้ปีติปีติจะดับนะความสุขก็เด่นขึ้นมาความสุขมันเด่นไม่คล้ายๆนะปีติมันหยาบกว่ามันชวนให้ดู เมื่เราไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะเราก็เลือกมาอย่างดีแล้วมาซื้อมาเราพบว่ากลับมาบ้านเราพบว่ามันมีรูอยู่นิดหนึ่งมันไปเกี่ยวอะไรขาดอยู่นิดหนึ่งเราไม่ดูเสื้อทั้งตัวแล้วเราจะาเวียนดูไอ้รูที่ขาดนึกออกไหเพราะมันเล้าใจกว่าเวลาปิติเกิดก็แบบเดียวกันนะไปดูปิติไม่อยากดูความสุขความสุขก็มีอยู่ในขนาดที่มีปิติแต่ไม่ดู พอปิติดับไปมันเห็นนะปิติเป็นของวื่อวายปิติดับไปนะจิตก็มีความสุขขึ้นมาความสุขก็เด่นขึ้นมาดูลงไปที่ความสุขความสุขก็เป็นของวื่อวายมันก็เป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาตรงที่วิตกวิจารณ์ดับไปนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมานั้นในฌานที่สองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วตรงนี้ถ้าทําอานาปนสติจนได้ฌ า, านนะ ก็จะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาตั้งแต่ฌานที่สองสามสี่จะมีตัวผู้รู้นะแล้วก็ถ้าดูจิตต่อไปเร้ก็จะเข้าอารูปไปแล้วไม่จัดเป็นอนาปนสติแล้วก็เข้าอารูปต่ออันนี้เป็นวิธีใช้อนาปนสตินะทำให้เกิดฌานในฌานะนะั้นเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา คนที่ได้จิตผู้รู้จากสมาธิเนี่ยเมื่อออกจากสมาธิแล้วตัวรู้จะเด่นดวงอยู่งั้นถ้าสมาธิหนักแน่นพอนะเด่นอยู่ได้หลายวันเลยแต่ไม่เกินเจ็ดวันก็จะเสื่อมพอมีตัวรู้เนี่ยเอาไว้ใช้เดินปัญญานี่ถ้าคนไหนทำอานาปานสติแล้วไม่สามารถเข้าฌานได้จะทำยังไงบารมีไม่ถึงไม่เคยฝึกฝนมาเข้าฌานไม่ได้ก็ทำอานาปานสติไป หายใจไปหายใจไปพัะลมมันตื้ น, นสว่างขึ้นมาสบายอย่าตามแสงออกไปเท่านั้นแหละรู้เนื้อรู้ตัวสบายจิมสงบอยู่นะจิมสงบอยู่แต่มันไม่ได้ไปเกิดปีติเกิดสุขอะไรขึ้นมามันมีความสงบในระดับหนึ่งมันได้อุปจาราสมาธิตัว อ, อุปจาราสมาธิเนี่ยนิมิตต่างๆมันเกิดได้ ถ้าหลงนิมิตไปนนก็เสียเวลาถ้านิมิตเกิดขึ้นมาแล้วย้อนกลับมาดูที่จิตนะนิมิต ด, ดับไปแล้วก็หายใจไปมันใส่สบายคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยอะไรแปลกปร้อมมารู้ทันนี่เดินปัญญาอยูนะ่เดินปัญญาอยู่ในอุปจาระก็ได้แต่ถ้าคนไหนชำนาญทั้งฌานํำนาญทั้งการดูจิตนะจะไปเดินปัญญาอยู่ในฌาน เน ไ, ไมรรมานุปนสติทาได้หลายอย่างนะเป็นสมถะแบบเหลวไหลก็ได้ตึงไปก่อนไปแล้วก็ฟุ้งซ่านออกไปเลยทำสมาธิให้เกิดอุปจารสมราธิก็ได้ตรงนี้นิมิตเกิดอยากรู้อยากเห็นเลยมางทีหลอกๆจิตมันหลอกเอาก็ได้จริงบ้างเท็จบ้างแต่ตรงที่เคลิมเคลิมไหลออกไปเนะเชื่อไม่ได้ถ้าไม่หลงตามนิมิตนะ คอยดูสภาวะใจมันจะผุดความคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ไหวๆปั๊บๆขึ้นมานะแล้วหายหายไปเดี๋ยวไหวปั๊บๆหายไปเราก็แค่รู้อยู่เนี่ยเราเดินปัญญาอยู่นะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นนี่เดินปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธิพวกเราคนไหนทําตรงนี้ได้ม้างที่เรานั่งอยู่นะเราเห็นมันไหวๆปั๊บๆขึ้มันยังไม่ได้เข้าฌานนะตรงเนี้ยจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป แต่ถ้าใจไหลาตามไปใช้ไม่ได้ ใ, ใจตั้งมั่นอยู่เราเห็นทุกอย่างมันมาแล้วไปนี่เดินปัญญาอยู่ในอุปจาระนะแต่ถ้าคนไหนทนํไปจนจิตถึงฌานแล้วเนี่ยไปเดินปัญญาในฌานวิธีเดินปัญญาในฌานนี่ดูองฌานนั่นแหละมีปิติเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันปิติก็ดับนะเห็นไมปิติเกิดได้ปิติดับได้ปิติจะเกิดปิติก็เกิดได้เองไม่ใช่สั่งให้เกิด เราไปแค่เราไปรู้ไปเห็นนะปิติเกิดแล้วก็ดับความสุขก็เกิดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมามีสติไปรู้ความสุขแล้วความสุขก็ดับเกิดอุเบกขาอุเบกขาเกิดแ ล, แล้วแล้วเรามีสติรู้เบกขาไปได้วยพระจิตมันเริ่มถอนจากสมาธิมีความสุขขึ้นมาบางทีก็มีปิติขึ้นมาเวลาเข้าเวลาออกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียงหนึ่งสสามสี่นะถ้าชํานาญจริงนะจาก1ไปสี่ ลงมาสองขึ้นไปสามใหม่นะออกมาหนึ่งใหม่ก็ได้นะพลิกไปพลิกมาได้แต่ไม่ว่ามันจะพลิกยังไงนะองค์ชานมันไม่เหมือนกันมันทําให้ชานแต่ละชานไม่เหมือนกันการที่เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงขององชานเนี่ยตัวนี้แหละเป็นการเดินปัญญาในสมัครที่ในชานเดินปัญญาอยู่ในชาน ต่างกับเดินปัญญาในอุปจาระนะอุปจาระจิตมันผุดมันยังคิดอยู่มันผุดผุดผุดขึ้นมานะเราคอยรู้ทันสิ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปเห็นไหมทาอนาปนาสติแล้วมาเดินปัญญาในสมาธิก็ได้ถ้าทำไม่ได้อีกก็ทำยังไงทำอานาปนาสติแล้วเจริญปัญญาไปเลยนะไม่ได้เข้าสมาธิหรอกแค่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่พวกนี้อุปจาระก็ไม่เข้า อปนาคือเข้าฌานก็ไม่เข้าแค่เราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนี่อาณาปนสติอย่างนี้ก็ยังดีอาณาปนสติตรงนี้น่ะที่เรียกว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ใช่มีสติอยู่กับลมหายใจถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจนะลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแล้วจะเข้าฌานไปเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู ตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถ้าเข้าฌานไม่ได้ต้องฝึกให้เกิดวิธีฝึกให้ใจเป็นคนดูเนี่ยหัดพุทโธไปหัดหายใจไปก็ได้ใช้ลมหายใจเลยก็ได้หายใจแล้วค่อยสังเกตว่าร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูใช้พุทโธก็ได้พุทโธไปพุทโธไปแล้วก็เห็นนะว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูดูท้องพองยุบก็ได้แล้วเห็นว่าท้องผ่องยุบถูกรู้ถูกดูอย่างนี้ก็ได้ ใจมีเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งถ้าแยกอย่างนี้ไม่ออกนะให้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแต่ต้องไม่ไปเพ่งใส่ลมหายใจไม่ไปเพ่งใส่ท้องนะ ปล่อยให้มันรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบเลยไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทานจิตที่เคลื่อนนี่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูบางคนก็ใช้วิธีนี้แยกได้บางคนก็สังเกตดูว่านี่ก็ถูกรู้วันนี้ก็ถูกรู้ลมหายใจก็ถูกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้อย่างนี้ก็แยกได้มีหลายอย่างเห็นไหมกรรมาฐานนะ่ะมันหลากหลายมากนะงั้นเวลาภาวนาถ้าไม่เรียนดีๆนะมั่วซั่ว พอเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราก็เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยธรรมนาปนสตินี่แหละไม่ต้องเข้าฌานเข้าไม่เป็นก็ไม่ต้องไปกลุ่มใจอุปจาระก็ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องกลุ่มใจเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเาราร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นอนิจจัง การหายใจเข้าก็ทนอยู่ได้ไม่นานการหายใจออกทนอยู่ได้ไม่นานนี่เป็นทุกขังร่างกายที่หายใจอยู่เป็นวัตถุธาตุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่ก้อนธาตุนี่เห็นอย่างนี้ก็เรียกเห็นอนัตตาเห็นไหมธรมาณนพนสตินะแล้วก็เห็นร่างกายแสดงใสหลักนี่เดินปัญญาเลยพวกนี้ ได้สุขควิปัสสกะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับใครเขาหรอกไม่มีของเล่นต่างกับพวกที่ไปทางฌานนั้นแต่พวกที่ไปทางฌานบางคนก็ไม่มีของเล่นอภิญญาจิตไม่เกิดต้องสร้างบา ร, รมีพิเศษนะตั้งใจอธิษฐานไว้ทําบุญกับพระพุทธเจ้ายิ่งหลายหลายองค์ยิ่งดียิ่งขลังอย่างพวกเราถ้าบา ร, รมีน้อยอยากเล่นอภิญญาจิตหลอนซะเป็นส่วนใหญ่ กิเลสหลอกออกไปไม่ใช่ปัญญาจริงหรอกนี่ยทำอนาปนาสติแล้วดูจิตก็ได้ไกรรมฐานนี่กว้างเห็นไหมทำสมาธิได้ทุกแบบเลยนะจนถึงเข้าอารูปนะแต่ตรงอรูปเนี่ยทิ้งเรื่องลมไปแล้วเข้าไปดูจิตต่อเข้าอารูปไปทำใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้นะใช้สมาธินาปัญญาก็ได้ ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้นี่อาณาปณะสติทาได้หมดเลยตรงใช้ปัญญานำสมาธิเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะนี่เราใช้ปัญญานำสมาธิไปเลยไม่ได้เข้าฌานถ้าใช้สมาธินำปัญญาก็คือเข้าฌานไปก่อนออกจากฌานแล้วมาพิจรารณาธาตุขันเราได้ตัวผู้รู้ออกมาจากฌานที่สองออกมาข้างนอกนี่นะดูดูธาตุดูขันทางานดูได้เป็นวันๆเลย อันนี้ใช้สมาธินำปัญญาตัวผู้รู้จะเด่นดวงอดทนทนได้นานพวกใช้ปัญญานำสมาธิตัวผู้รู้จะอยู่แวบๆ แ, แล้วสมาธิที่ใช้มันก็มีสมาธิเหมือนกันสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นแค่คณิกะสมาธิไม่ถึงอุปจาระไม่ถึงอัปปนานะได้แค่คณิกะแค่รู้ตัวเป็นขณะขณะจิตหนีไปแล้วรู้ทันนั้นก็ได้สมาธิขึ้นมาได้มานิดเดียว แต่พอหลายๆนิดเข้านะนิดบ่อยๆเข้ามันก็รู้ได้เหมือนกันก็เห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูตรงที่จิตเป็นคนดูตัวนี้แหละได้คณิกะสมาธิแล้วอันนี้เป็นปัญญานําสมาธิเดินปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิที่ถึงอัปปนาจะเกิดทีหลังแต่ตอนที่เดินปัญญาเนี่ยมีคณิกะสมาธิอยู่แล้วถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตล่ะทําไง หายใจไปหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขหายใจไปแล้วจิตเครียดเครียดขึ้นมารู้ว่าจิตเครียดเครียดเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ทันว่าจิตสงบนี่หายใจแล้วดูจิต หายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจแล้วจิตตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ไหลเข้าไปในลมหายใจอันนี้เขาเรียกว่าดูจิตงั้นหายใจนะดู ก, กายก็ได้จเจริญปัญญาด้วยการดูกายเห็นกายมันหายใจหายใจไม่ใช่แค่เห็นร่างกายหายใจนะบางทีโยงไปถึงเห็นท้องพองยุบจิตเป็นคนดูงั้นถ้าทำท้องพองยุบแล้วจิตเป็นคนดูก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะเห็นว่า ร่างกายที่ผ่องที่หยุดไม่ใช่เราถ้าหายใจไปแล้วจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้อันนี้ถือว่าดูจิตละหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้อันนี้ก็เรียกว่าดูจิตละหายใจไปแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้จิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้อันนี้ก็เรียกว่าดูจิตละไม่ใช่เห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยง จิตกุศลก็ไม่เที่ยงจิตอกุศลก็ไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยเนี่ยแหละเดินปัญญาแล้วดูจิตจะเห็นอ น, นิจจังง่ายนะจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเร็วมากเลยนันอนาคานสตินั้นได้สารพัดเลยสารพัดนันอนาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานครอบโลกเลยกว้างกวางมากเลยนะถ้าชำนิชำนาณานาคานสตินะพลิกแผงได้สารพัดเลย จะออกเล่นทั้งนอกก็ได้นะจะทำกสินก็ได้กสินอะไรอนาปนสติทำกสินได้กสินลมกสินแสงกสินดินกสินดินก็คือเห็นตัวที่มันหายใจนี่เห็นร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เป็นกระสินดินเห็นลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยอยู่ที่เดียวนะอยู่ที่จมูกเนี่ยรู้อยู่ที่เดียวเป็นกระสินลม มันสว่างขึ้นมาแล้วเป็นกระสินแสงเล่นกระสินได้หลายตัวงั้นเล่นานาป น, นาสติก็มีฤทธิ์ได้นะราะมีกระสินทั้งหลายตัวหมดเวลาแล้วไปเจนเวทาเช้า